สิขาบทที่สามเรื่องพระชัพพคี629สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นพวกพิสุชฉัพพคีชั้นเลียบาทพระบัญญัติ 3. พึ่งทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ชั้นเลียบาทเรื่องพระชัพพคีจบ สิกขาบทวิพังพิกษุไม่พึงฉันเรียบาทภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันเรียบาทต้องอบัตทุกกฎอนาปฏิวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นึ่พิษุไม่จงใจ2องพิษุไม่มีสติ3ามพิษุผู้ไม่รู้4ี่พิษุผู้เป็นไข้5้าพิษุกวาดข้าวสุกที่เหลือน้อยรวมกันและฉันหกพิษุผู้มีเหตุขัดข้อง7จ็ดพิษุูดวิกลจริตแปดพิษสูต้นบัญญัติ สิทธค่บทที่สามจบ